บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในเรื่องของสมาธิธที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงซึ่งหมายความว่าเป็นการเห็นถูกตรงตามหลักที่พระพุทธ เ, เจ้าได้สัสรู้และทรงแสดงไว้ สมาธิิในส่วนที่เป็นโลกิยะคือในส่วนของสามั ญ, ญชนทั่วไปนั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการเชื่อในความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเรียกว่ากรร ม, มัสกตาสมาธิิการเชื่อหลังจากได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้น เรียกว่าวิปัสนาสมาธิิสำหรับวันนี้จะพูดถึงสมาธิิในข้อต่อไปท่านใช้คำว่ามัคคะสมาธิคำว่ามัคคะสมาธิินั้นหมายถึงปัญญาอันเห็นชอบในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะนำคนให้ได้รับผลในระดับต่างๆ โดยเฉพาะจะกล่าวเฉพาะในขั้นที่เป็นโลกิยะคือขั้นทั่วทไปได้แก่การรู้จักเหตุนั่นเองความรู้ความฉลาดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยสรุปก็เป็นสมประการด้วยกันประการแรกคือรู้ทางเสื่อมคือเหตุแห่งทางเสื่อม หมายความว่าบุคคลสามารถเข้าใจถึงตัวเหตุที่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมในด้านต่างๆให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติประการที่สองเรียกว่าอายโกสนคือมีความฉลาดรอบรู้ในทางที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งเกตตนและแก่บุคคลอื่น ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปอีกทีหนึ่งก็รู้จักกุศลและอกุศลนั่นเองแต่ว่าความรู้ในสองระดับนี้ถ้าหากว่าไม่อาศัยความฉลาดรอบรู้อีกชั้นหนึ่งก็ไม่อำนวยประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าบุคคลที่รู้จากโทษของอบายมุขแต่ยังมัวเมาหมกมุ่นในอบายมุกรู้โทษของความโกรธ แต่ก็ยังกระทบกระทั่งอะไรก็อดจะโกรธไม่ได้ชื่อว่าไม่ได้รับผลจากความรู้เหล่านั้นอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจําแนกแสดงความรู้อีกประเภทหนึ่งเอาไว้เรียกว่าอุปาญโกรสุคือความฉลาดรอบรู้ในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสือบมาดําเนินในทางเจริญดังนั้นมคระสัมมาทิฏฐิ ก็ได้แก่ปัญญาเห็นชอบในตัวเหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญนั่นเองเหตุแห่งความเสื่อมโดย ท, ทั่วไปนั้นก็จะเห็นได้ว่าได้แก่ทางแห่งความไม่ฉลาดหรือทางของคนผู้ไม่ฉลาดซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้สิบประการด้วยกันและในทางทั้ง1ิบประการนี้ เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาไปก็จะเห็นว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างแท้จริงที่ทรงใช้คำว่าอากุศลกรรมบุตรคือทางแห่งการกระทำของคนผู้ไม่ฉลาดมียุสิทประการด้วยกันคือหนึ่งการเบียดเบียนประทุษร้ายชีวิตสัตว์ทั้งหลายจนถึงฆ่าสัตว์ในที่สุด 2. มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น 3. ม, มีการประพฤติผิดในทางประเวณี 4. พูดคำเท็จหลอกลวงอำพรางบุคคลอื่น 5. มีการส่อเสียดยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้เกิดวิวาทแตกแยกซึ่งกันและกัน 6. ใช้คำพูดในลักษณะที่หยาบคายร้ายกาศสแสลงหูสแสลงใจของผู้ฟัง เจ็ดพูดคำไร้สาระประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังแปดโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเก้าพยาบาทปองไร้บุคคลอื่นสิบเห็นผิดจากทานองครองธรรมอกุลกรรมบทคือทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความแห่งบุคคลผู้ไม่ฉลาดทั้ง1ิประกาศนี้ ขอเพียงแต่บุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆและตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดผลเป็นการกระทาผิดทัง้าวประการแรกนั้นก็สืบเนื่องมาจากความเห็นไม่ถูกตรงตามทางนองครองธรรมเป็นประการสำคัญ พระตาหากว่าบุคคลมีความคิดเห็นถูกตรงตามทํานองครองธรรมแล้วก็จะสามารถเข้าใจถึงความจริงที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าคนเรานั้นรักชีวิตของตนเองบุคคลจึงควรทําตนเองให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ควรประทุษร้ายบุคคลอื่น <c oughs> อกุศลดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนการประทุษร้ายบุคคลอื่นทั้งนั้นเรื่องการที่บุคคลจะประจักษ์ชัดถึงโทษของอกุศลทั้งสิบนั้นได้ก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในขั้นของการรู้เหตุที่เรียกว่ามัคคสมาทิติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เอตอีกประการหนึ่งเป็นเหตุที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามใครปฏิบัติหลักธรรมทั้ง10ประการนี้ได้แล้วความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล น, นั้นทางทั้งสิประการนั้นทรงใช้คาว่ากุศลกรรมบุ คือทางแห่งผู้ฉลาดหรือทางของผู้กระทากรรมด้วยความฉลาดได้แก่การงดเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลอื่นงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีเจรจาถ้อยคำที่เป็นคําสัตว์คาจริง คำที่ไพเราะอ่อนหวานคำสมานสามัคคีและคำที่มีประโยชน์ไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นมีความเห็นถูกตรงตามทํานองครองธรรมที่เรียกว่าเป็นสมาธิติกุณลกรรมบททั้งสิบประการนี้ตัวการที่ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือข้อที่สิบเช่นเดียวกัน พระตาหากว่าบุคคลมีความคิดเห็นเป็นสมาธิิแล้วก็สามารถทำใจของตนให้ยอมรับความจริงแห่งชีวิตโดยนัยะที่ได้กล่าวแล้วได้และบุคคลผู้นั้นก็จะมีอุบายวิธีในการที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริรเพราะเหตุว่าพื้นฐานทางจิตของบุคคลนั้น ถึงแม้ว่าจะคิดในเรื่องอื่นแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตามแต่ว่าในด้านปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนนั้นทุกคนก็ปรารถนาด้วยกันเมื่อปรารถนาความสุขความเจริญให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนบุคคลผู้มีความคิดเห็นเป็นสมาธิก็จะต้องเข้าใจว่าความสุขความเจริญนั้นเป็นผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้ ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติในเหตุที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าดําเนินไปในทางที่ดีเหตุก็ผลก็ดีถ้าดําเนินไปในทางที่ไม่ดีผลก็ออกมาในลั ก, ลกษณะที่ไม่ดีทางของชีวิตจึงมีอยู่เพียงสองทางเท่านั้นที่ท่านใช้คําว่าสุขโตคือไปดี หมายความหมายความว่าบนเส้นทางสายนี้ใครดำเนินประพฤติปฏิบัติไปด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ตามความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นบุคคลที่ชื่อว่าสุกตคือปลายดีนั้นก็จะเข้าถึงภาวะอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสุคติคือหมายความว่าเข้าถึงซึ่งความสุข ทางในปัจจุบันพบนี้และสัมปรายพบภายภาคหน้าทางอีกสายหนึ่งนั้นเป็นสุกโตเป็นทุกขโตคือทางไปชั่วไปไม่ดีไปยากได้แก่อกุศลกรรมบททั้ง10ประการเป็นต้นซึ่งเมื่อบุคคลได้ดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายนี้แล้วก็จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า กติของบุคคลผู้นั้นจึงทรงใช้คําว่าทุกขติคือหมายความว่าการเข้าถึงความทุกข์ความเดือดร้อนความลําบากด้วยประการต่างๆรวมถึงการอุบัติบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกในสัำปรายภพภายภาคหน้าด้วยบุคคลที่จิตประกอบด้วยสมาธิเมื่อรู้ชัดถึงทางทั้งสองประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงต้องอาศัยอุบายวิธีในการที่จะละเว้นทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญเพื่อผลคือความสุขความเจริญแก่ตนดังกล่าวแล้วนั้นความเห็นในลักษณะที่เป็นมรรคสมมาทิฏฐิถือว่าเป็นบันไดสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้บุคคลเลือกทางดาเนินของดำเนินชีวิตของตน และสามารถเข้าใจเหตุผลในการดําเนินชีวิตได้อันหนึ่งในด้านของมรรคสมาธิธินั้นยังมีสืบต่อไปถึงในขั้นของการบําเพ็ญเพียรที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสอื่นสมาธิธิข้อที่สี่นั้นเรียกว่าพะละสมา ธ, ธิคือปัญญาเห็นชอบในตัวผล ซึ่งปรากฏเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นหรือแม้แต่ผลที่ยังไม่เกิดขึ้นบุคคลก็เข้าใจได้ว่าผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรดังนั้นภะสมาทิทฐิคือปัญญาเห็นชอบในตัวผลจึงมีความเกี่ยวโยงกับมัคคสมมาทิทฐิปัญญาเห็นชอบในตัวเหตุในข้อที่สามนั้นเป็นการรู้เหตุ คือหมายความว่าเลงไปที่เหตุแล้วก็คํานวณหาไปที่ผลได้ว่าถ้าประกอบเหตุเช่นนี้ผลก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้ถ้าประกอบเหตุดีผลจะดีประกอบเหตุชั่วผลก็จะชั่วแต่ส่วนพระลสมาธิทิฐินั้นไม่ได้เห็นเหตุแต่ว่าเห็นเฉพาะผลเท่านั้นบุคคลสามารถโยงเข้าไปหาเหตุได้ว่า การที่ผลปรากฏขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นในลักษณะนี้เป็นเพราะเหตุที่ตนได้ประกอบกระทำไว้ในอดีตเมื่อสามารถโยงเข้าไปหาเหตุได้แทนที่บุคคลจะไขว่คว้าแสวงหาเหตุจากปัจจัยภายนอกเช่นว่าการบันดาลของพระพรมเรื่องของดวงตลอดถึงอำนาจอิทธิพลภายนอกอย่างอื่น บุคคลก็จะเล็งเข้าไปที่ตนเองเป็นประการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าผลนั้นเกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นตัวเหตุก็จะต้องมาจากตนเองเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับผลของมะพร้าวก็เกิดขึ้นมาจากต้นของมะพร้าวโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นต้นมะพร้าวในขณะนั้นก็ได้แต่ว่าก็ทราบประจักษ์ชัดว่าผลของมะพร้าวลูกนี้ จะต้องมาจากต้นมะพราะ้าวไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งความรู้ในขั้นของผลเช่นนี้จะทําให้บุคคลมีความคิดเห็นอยู่ในแนวทางแห่งธรรมะแทนที่จะไปตีโพยตีภายต่อปัจจัยต่างๆในภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนธรรมชาติหรือสัตว์ทั้งหลายก็ตามในยามที่ตนประสบผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน ก็จะมาวิเคราะห์ที่ตนเองตรวจสอบเหตุที่ตนเองแล้วแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยตนเองในกรณีที่ประสบผลเป็นความสุขความเจริญก็เช่นเดียวกันแทนที่จะไปคิดว่าเป็นการดนบันดาลเป็นอำนาจของดวงเป็นต้นบุคคลก็จะย้อนนึกถึงกุศ ล, ลกรรมในอดีตที่ตนได้กระทำไว้ และอำนวยผลให้เกิดขึ้นแก่ตนในปัจจุบันตามให้เกิดชันทะคือความพอใจในการที่จะประกอบกระทากุศลกรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอุตสาหะเพียรพยายามที่จะเสริมสร้างกุศลกรรมคือความดีเหล่านั้นให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ตนเองได้ประจักษ์แก่ใจตนเองในลักษณะเหล่านี้ โยงเข้าไปถึงการวิเคราะห์จิตสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยอย่างในกรณีที่บุคคลปฏิบัติกรรมฐานไปแต่ว่าในขณะเดียวกันใจไม่เกิดความส ง, งบไปตามที่ตนต้องการบุคคลก็ตรวจสอบดูเหตุแห่งความไม่ส ง, งบว่ามาจากอะไร ระการแรกอาจจะตรวจสอบในขั้นของสิ่งที่เรียกว่าสัพพายะคือตรวจสอบดูว่าสถานที่ที่ตนอยู่นั้นอำนวยให้เกิดความสงบหรือว่าเป็นอุปสรรคแก่ความสงบตรวจสอบวิเคราะห์องค์ของกรรมฐานคืออารมณ์ที่ใช้ในการประพฤติปฏิบัติว่าถูกกับจริตอัธยาศาัยของตนหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบบุคคลที่ ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันว่าเป็นสัปพายะคือเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณสหายกันหรือไม่ตรวจสอบในด้านของอาหารว่าตนได้บริโภคอาหารมากไปหรือว่าบริโภคน้อยไปถ้ า, ากว่าตรวจสอบในเรื่องทั้งสี่ประการนี้ดีแล้วก็อาจจะไปตรวจสอบในขั้นของอิริยาบถว่าอิริยาบถ ท, ที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นอุปสรรคแก่ความสงบหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นว่านั่งนานจนเกินไปแล้วไม่ได้รปรัดเปลี่ยนอิยาบทก็ทำให้ปวดเมื่อยแทนที่ใจจะไปส ง, งบอยู่กับอารมณ์ซึ่งใช้กำหนดระลึกในขณะนั้นๆใจกลับไปรับเวทนาคืออาการปวดเมื่อยที่ปรากฏอยู่แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ความไม่ส ง, งบก็จะบังเกิดขึ้นความส ง, งบที่ควรจะมีก็อันตรธานหายไป ในขั้นของการปฏิบัติจึงทรงใช้วิธีอย่างอื่นเพื่อควบคุมใจให้ส ง, งบอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นในกรณีที่นั่งบริกรรมภาวนารู้สึกปวดเมื่อยมากไปถ้าหากจะเพ่งเวทนาให้ส ง, งบคือให้ส ง, งบอยู่กับเวทนาเหล่านั้นก็เพ่งไปถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอิริยาบถอย่างอื่นเช่นเดินจงกรมโดยตั้งสติกาหนดรลึกรู้อยู่ที่ อีเดายบทที่ก้าไปหรืออาจจะตั้งสติระลึกอยู่ที่บทภาวนาเต้นพุโทโธเป็นต้นโดยที่ใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะไม่พลากไปจากอารมณ์คือสิ่งที่ใจกำหนดอยู่ในขณะนั้นเมื่อได้ตรวจสอบตัวสาเหตุในด้านเหล่านี้แล้วบางครั้งสาเหตุแห่งความไม่ส ง, งบนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่จิตของบุคคล ยังไปเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่ทําให้กังวลสิ่งที่ทําให้กังวล น, นั้นบาลีใช้คําว่าปริโพธ์คือว่าจิตใจไปค้องไปเกาะไปติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าอาจจะประรบถึงการงานถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือประรบถึงสิ่งที่ตนจะต้องจัดจะต้องทําในโอกาสต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ใจก็จะสายกลับไปสู่อดีตบ้าง สายไปหาที่อนาคตบ้างแทนที่จะอยู่ในอารมณ์ซึ่งตนกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเมื่อบุคคลตรวจสอบดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นว่าเหตุแห่งความไม่ส ง, งบเกิดขึ้นมาจากนี้ก็สามารถแก้ไขในส่วนที่เป็นความวิตกกังวลความสึกนึกถึงอดีตอนาคตออกไปแล้วก็พยายามทำใจให้ส ง, งบหรือบางครั้งบางคราวความไม่ส ง, งบนั้น เกิดขึ้นจากการที่ใจ ย, ยังถูกครอบงามด้วยนิวรณ์ทั้งห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตรวจสอบดูถึงตัวเหตุแห่งความไม่สงบเหล่านั้นแล้วก็แก้ไขไปตามเหมาะตามควรแก่อารมณ์ซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆคือหมายความว่าในขณะใดใจตกไปสู่อำนาจของกิเลสก็ต้องพยายามขาจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป ในขณะในใดที่จิตเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยไม่ค่อยจะพร้อมในการปฏิบัติทางจิตก็พยายามปลุกปลอบจิตใจของตนให้เกิดฉันทะอุสาหะให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อสามารถทําความส ง, งบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้หรือว่าในขณะใดที่จิตใจส่ายมากเกินไปก็พยายามดึงจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์เป็นต้น เมื่อบุคคลตรวจสอบดูเหตุแห่งความไม่ส ง, งบได้ประจักษ์ชัดเช่นนี้ก็สามารถแก้ทางแห่งความไม่ส ง, งบเหล่านั้นได้ด้วยตนเองว่ากันตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระหานทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมานั้นเป็นการแสดงในขั้นของปริยัติคือข้อธรรมะให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและเมื่อปฏิบัติไปแล้ว ผลต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือไม่ดีก็ตามผู้ปฏิบัติก็อิงอาศัยปริยัติที่ได้ศึกษาสดับวบฝังไปนั่นเองจัดการแก้ไขไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีรในกรณีของพระาสมาทิทีิคือเป็นการประจักษ์ชัดในขั้นของผลหมายความว่าผลเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนในขณะปฏิบัติอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นผลที่ดีก็ได้ที่ไม่ดีก็ได้แล้วบุคคลก็เล็งเข้าไปตรวจสอบถึงเหตุก็จะมองเห็นเหตุแห่งความสงบและความไม่สงบเหล่านั้นหรือว่าเหตุที่ออกมาเป็นผลดีและไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็จะไปจัดการแก้ไขเสียที่เหตุได้อย่างในกรณีที่ปฏิบัติกรรมาฐานไปอยู่บางครั้ง จิตใจของตนไปสงบงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้แก่บุคคลทุกคนไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่อาการเช่นนั้นเป็นอาการของสมาธิอย่างหนึ่งเป็นอาการของความสงบงอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยไว้เช่นนั้นตลอดไปในที่สุดก็จะไปติดอยู่เท่านั้นเอง ไม่สามารถก้าวเดินไปได้ตัวสาเหตุที่บุคคลจะต้องแก้ไขคือให้ไปมนักฑิการหมายความว่าไประลึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานให้มากข่าวแล้วอย่าไปสร้างความสํานึกคือความระแวงไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อนั่งไปสงสัยว่าใจจะไปตกอยู่อีกอันจะกลายเป็นลักษณะของอุปาทานเป็นความเคยชินสร้างความเคยชินให้แก่จิต เมื่อปฏิบัติไปเนื่องจากจิตได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วในที่สุดก็จะกลับไปตกอยู่ในที่เดิมอีกได้แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วอาการเหล่านั้นจะหายไปจิตก็จะดำเนินเข้าไปสู่วิถีแห่งกรรมฐานเข้าหาความสงบที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้และข้อที่ควรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น บางคราวจิตก็เดินไปในวิถีทางของอารมณ์คือระลึกอะไรอยู่ก็สงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้ในกรณีนี้บุคคลก็เล็งไปที่เหตุได้ว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปัจจัยต่างๆอํานวยสนับสนุนให้เกิดผลเช่นนั้นก็ประคับประคองตัวผลไว้และดำเนินประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปแต่ว่าบางคราวนั้นแม้ว่าจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบ เรียกว่าสมถกรรมฐ า, านแต่ใจเกิดโน้มน้อมเข้าไปหาวิปัสสนาคือหมายความว่าใจเกิดไปน้อมพินิษพิจารณาซึ่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของนามรูปถ้าเป็นเช่นนั้นคือหมายความว่าอารมณ์เกิดขึ้นในลักษณะอำนวยให้พินิษพิจารณาก็พิจารณาไปเพราะว่าการพิจารณานั้นก็เป็นวิปัสสนากรรมาฐาน ถ้าสงบก็เป็นสมถาากรรมาฐานผลทั้งสองประการนี้เป็นผลที่อำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทางนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิตกกังวลอะไรอารมณ์ปรากฏให้พิจารกก็พิจารณาไปเลยโดยน้อมนำเอาหลักของความจริงตามประสรยลัษณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เข้ามาเทียบเคียงพินิจพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่า เป็นจริงตามประจัยลักษณ์าใจเห็นในความเป็นของไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นการดำรงอยู่ของนามรูปนั้นเป็นการดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่งแล้วก็จะดับไปในกรณีที่เป็นทุกข์ก็พิจารณาเห็นว่า สิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่เบียดเบียนสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆไม่มีสิ่งใดที่ดารงอยู่ได้ถาวรชั่วการนาฬนคือไม่อาจรักษาสภาพเดิมไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือรู ป, ปรวัตถุต่างๆก็เหมือนกัน คือสรุปว่าทั้งนามทั้งรูปนั้นไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้ต้องเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยและมองให้เห็นในลักษณะที่เป็นอนัตตาคือว่าไม่สามารถบังคับปัญชาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีสภาวะที่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงแต่ว่าการพินิพิพจารณานั้นให้ตรวจสอบดูว่า สำหรับเราเองนั้นพิจารณาแบบไหนจะเห็นประจักษ์ชัดก็ให้พิจารณาอย่างแนวนั้นคือหมายความว่าเริ่มจากอนิจจังถ้าเห็นชัดที่อนิจจังก็ดูที่อนิจจังถ้าเห็นชัดที่ทุกขงังก็ดูที่ทุกขงังถ้าเห็นชัดที่อนัตตก็ให้ดูที่อนัตตไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราเห็นประจักษ์ชัดในจุดใดจุดหนึ่งของสามั ญ, ญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ให้ประจักษ์ชัดในจุดหนึ่งได้แล้วต่อไปยานเครื่องรู้ก็จะโยงเข้าไปหาอีกสองประการได้และจิตใจของบุคคลก็จะเริ่มถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดที่เคยมีอยู่ในนามรูปให้บรรเทาบาบางลงไปได้ซึ่งก็หมายความว่าด้วยวิธีการทั้งสองนี้แนวหนึ่งเป็นการเสริมสร้างความสงบนิวร์ทั้งหประการ จากกิจใจอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้รู้ถึงสภาวะอันแท้จริงแห่งนามรูปทั้งสองประการนั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งตลอดถึงเพื่อความดับของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นดังนั้นในกรณีที่ผลเกิดขึ้นในลักษณะนี้ ก็ถือว่าดำเนินต่อไปได้ทั้งสองลักษณะคือถ้าสงบก็ดำเนินไปหาความสงบสืบต่อไปถ้าหากปรากฏมาในรูปที่จะให้พิจารณาคือแทนที่จะใช้สตินำหน้าแต่ปัญญากลับปรากฏชัดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการแทงตลอดความจริงแทงนามรูปแล้วผลจากการประพฤติปฏิบัติก็จะบงังเกิดขึ้น เรื่องของมัคคสมาธิติคือปัญญาเห็นชอบในส่วนเหตุและพละสมาธิติปัญญาเห็นชอบในส่วนผลนั้นในชั้นหนึ่งจำเป็นจะต้องอิงอาศัยปริยัติคือการศึกษาให้เกิดความรอบรู้ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยให้ทราบชัดว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสือ่อม จนสามารถโยงในกรณีที่ประสบผลก็โยงเข้าไปหาเหตุได้ว่าผลนี้เกิดมาจากเหตุอะไรผลนั้นเกิดมาจากเหตุอะไรและในขั้นของการประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะแก้เหตุและรักษาผลจึ่งเกิดขึ้นมาในลักษณะที่ดีให้เป็นไปในทางที่ดีสืบสืบไปได้ สมาธิติทั้งสองระดับนี้จึงอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งในด้านประยัดและด้านปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีนั้นๆต่อไปนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป